การปฏิบัติธรรมมักหาการมาร่วมต้นชีวิตใหม่บางทีเราก็ถึงทางตันของชีวิตสิ่งที่เราวาดฝันเอาไว้อาจจะเป็นภาพลวงตา เราก็เดินตามรอยฝันของเราจนตันบางทีมาถึงจุดที่มันจมใจเราถึงหยุดหยุดตบทวนชีวิตของเรากันอันกลับมาใหม่คยมองออกไปข้างนอก สังคมรอบตัวข้อมูลต่างๆที่หยิบยืนให้บางทีเราก็พยายามเป็นพยายามเลือกอะไรที่เหมา ก, กับตอนกับตอนก็เลือกก็กลายเป็นแบ่งขั้วแทนที่จะเป็นการเติมเต็ม ต่างคนต่างทำในสิ่งที่ตนชอบแล้วก็ยอมรับกลับเป็นเรื่องของฝักไฟอันนี้เป็นธรรมชาติของโลกใบนี้บางทีเราก็รู้สึกสับสนแล้วก็งงมันไม่ได้รับความสุขที่แท้จริงอำนาจของกาม ของกินของเกล็ดเราก็พยายามให้อาหารเขาวันนี้ไม่ใช่วันนี้เริ่มต้นใหม่หยุดหันกลับธรมิตาคือหันกลับมาดูกายใจของเรารู้าำนำทำ ม, มันคืออะไรกันแน่ในการใส่ความรู้สึกตัวลงไป มันก็จะแยกเยอะตามกฎของกรรมฐานให้ตัวทุกข์ที่แท้จริงมันคืออะไรยิงหลวงปู่เตียนหลวงพ่ลลงพอมเขียน <Yeah. S 2> ก็อาจารย์ท่านชี้ชัดทุกข์เพราะความคิดเราก็ไม่ได้ลังเลจริงๆเรากำลังรับผลทุกข์เพราะความคิด คิดอดีตคิดอนาคตคิดแล้เป็นสุขเป็นทุกข์มันคือความผิดปกติเราไปบัดไปหนึ่งวัน2วันสาวันเราเห็นร่องร อ, อยชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นคิดปั๊บรู้ปุ๊บมันเป็นความรู้สึกตัวในการคิดความคิดมันใจสมองใช้ระบประสาทอยู่ มันมีกายสมองบิญญาณซึ่งมันก็ไม่ได้เห็นด้วยตาแต่ก็รู้สึกได้เวลาคิดมันกระทบกระเทือนมันอู้มันไหวเมื่อเรารู้สึกมันมีสติเราก็ไม่ได้เข้าไปในการปรุงการแต่งเราก็เริ่มมีอิสระ จำนันไม่น้อยนะที่ต้องเข้าโรงพยาบาลกันเนื่องจากนะกินไม่ได้นอนไม่หลับจนเต็มไหมดตามโรงพยาบาลต่างๆโรงพยาบาลโลกจิตกาลย า, ลาราชนักลินสีธัญญาสวนปรงุงนะสมเด็จเจ้าพยาอีกมากมายนะก็ลองรับกลไกประเภทนี้แหละ ถ้าเผลอไปคิดฟุง้งก็จะฆ่าผมก็จะฆ่าผมเมียผมมีชู้คนนั้นำอย่ายงั้นคนนี้ทำอย่างนี้ผมไม่ได้รับความเป็นธรรมต้าสือหมอจ่ายยายผลข้างเคียงก็สูงมากเสียผู้เสียคนกินไป ปัณนี้ใครจะเป็นอะไรมาจากไหนก็ตามมามานั่งอยู่ตรงนี้แล้วนะใช้แล้วหนาของปัญญานะที่มันเกิดจากการรู้สึกตัวตรรกะณะตรรกะนะความรู้สึกตัวมันจะเยียวยานะแก้ไขผ่อนายบรรเทาไนะขากุญแจแก้โซ่ปนล็อกของชีวิตเราหยุดไม่คิดได้ไม่ต้องไปคิดมันมาเคลื่อนไหวรู้สึกเนะี่ย กรรมาฐานรูปแบบวิธีการเคลื่อนไหวแนวเคลื่อนไหว14บี่ยังว่าเดินจงกลมนมันจะเกิดบุญขึ้นมามันจะเห็นทางสว่างเห็นช่องทางของชีวิตเราเราจะได้ดำเนินก้าวตามความรู้สึกตัวไปทุกวันทุกขณนนะจะกลายเป็นเรื่องของชีวิตจีวา อยู่ยตรงไหนก็เกิดความสะอาดสว่างสงบขึ้นมาจริงๆมันเป็นธรรมที่ทำให้เกิดความไม่ประมาทความรู้สึกตัวเนี่ยมันก็คือการมีสติสมัมปัยญญานั่นแหละนั่งรัวนั่งเดินร่วเดินยืนร่วยืนนอนรัวนอนกินรัวกินขับถ่ายรัวงขับถ่ายหายใจกระพริบตา มันก็เป็นความรู้สึกตัวมนก็ต้องกา น, นาคิด่งมันละเอียดก็ตามมันก็ถูกรู้เตาออรู้ทันก็ต้องมีการฝึกฝนกันสุขโตยกนี้ปัจจัยสี่ก็พร้อมน้ำไหลไฟสว่างถนนหนทางกุฏิศาลาอยู่สบายทีเดียวแล้ะ บางทนะียังก็รนะีสอนบางห้องอยังไม่เปิดให้ใช้เท่าไรหร่จะกลายเป็นอยู่แล้วก็ติดนะที่อยู่ที่อาศัยถ้าจําเป็นก็เปิดแต่ว่ากลุ่มที่เข้ามามาชั่วครั้งชั่วคราวเปิดให้อยู่กันให้อยู่ลําบากไว้ก่อนลําบากแล้วสบายอันนี้มันจะเป็นของจริงส่วนใจสบายแล้วลําบากอยู่ไม่ได้ ปฏิบัติธรรมนฝึให้ลำบากไว้กอนนะไม่ใช่หมายถึงว่าลำบากนะมันจะทำให้เหมือนกับชีวิตของเรามันอ่อนแอนะมันกลเป็นความเข้มแข็งฝึกนะปฏิบัติธรรมนิดลำบากนิดเกิดความอ่อนโยนขึ้นมาเกิดนะความนุน่นมนวลขึ้นมาขณะเดินจงกรมนั่งสร้างจังะเพราความเป็นกลางความพอดีความสมดุล มันทำให้เกิดคุณธรรมเหล่านี้ขึ้นมาขณะเรารู้สึกตัวรู้สึกตัวเนี่ยถ้าเดินแข็งแข็งกระแทกกระทัานมันเดินแล้วจะไม่ได้อารมณ์ปฏิบัติเพราะนั้นการปฏิบัติธรรมเนี่ยต้องไม่ช้าไปไม่เร็วไปนะการเคลื่อนการไหวยกมือจับศีรษเดินยงกลมมีความพอดีของใครของเรา วินาทีหนึ่งก็รู้ครั้งหนึ่งทุกๆขณะที่มันรู้สึกเคลื่อนไหวแล้วก็หยุดรู้สึกเคลื่อนไหวแล้วก็หยุดรู้สึกเคลื่อนไหวแล้วก็หยุดทำไปเรื่อยๆเราจะเห็นมันเริ่มมีมมปฏิยาการต่างๆเกิดขึ้นมาที่กายที่จิตของเราจากเบื้องต้นไม่ค่อยได้คิดเท่าไหร่มันก็เริ่มมีความคิดขึ้นมาทุกครั้งที่ลงฐานปฏิบัติ ความคิดที่มันไม่จำเป็นไหลทรลักะ์ะลวงออกมาให้เราได้เห็นความสุข ป, ปลกขยะความคิดมันทินเครื่องเศร้ามหมองต่างๆเรียกว่าบุญว่าบาปหรือว่าบารรมนั่นแหละมันจะแสดงไหลเทกมความแตกต่างในการมีชีวิตบนกรรมแต่งภูมิชา้ากำเนิดการรู้ความรู้หรือว่าการศึกษา วุติปาวะกุณวุตไยวุตสกุลลุนชาต่ตางๆมันจะเกิดการเปรียบเทียบทำไมเขาดีทาไมเราไม่ดีทำไมเราต้องมาทำอย่างนี้เราลืมศรัทธาลืมความเชื่อเบื้ อ, องต้นในการเข้าวัดของเราไป อ, อยู่ไปอยู่ไปนกักกีฬก็เรียกร้องเคยสลภาพอยากดูหนังฟังเพลงอยากกิน อยากไปไหนมาไหนไม่ได้ไปมันยุดติมันหยุดกิเลสกนเรียกร้องมันก็จะต้องทำตามหรือบางทีก็ขัดแยง้งกับเขากลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาปฏิบัติธรรมเราจะได้เห็นความจริงเหล่านี้แหละใครเปื้อนอะไรมาครเคยประทับใจไม่ประทับใจอะไรมามันก็แสดงออก มีลกูกเคยทุกข์เราะลูกเคยสุขเราะลกูกมัแสดงออกมีพ่อมีแม่เคยสุขเ พ, พ่อแม่เคยทุกข์พรพ่อแม่ก็แสดงออกมีครอบครัวมีสามีมีภระระยาเคยสุขเคยทุกข์มันก็นแสดงออกทุกอย่างมันก็ปลากรวัยเราได้รู้จักตัวเราน้ำเกือความคิด มันเคยมีพฤติกรรมทางกายวาจาใจอะไรไว้มันประทับเอาไว้มันแสดงออกบางทีสตูพัลลิมันเกิดขึ้นมาทั้งๆ ท, ที่มันนานแล้วอย่างเงี้ยเราก็ยังจําไม่ลืมมันแสดงออกเรากลับมารู้สึกตัวรู้สึกตัวทุกครั้งที่ปรากฏการของความคิดมันแสดงตัวออกมามันคลายมันปลดปล่อย ถูกลบถูกเรือนลงไปทุกครั้งที่รู้สึกรู้สึกรู้สึกไม่ตามก็ไปในความคิดมันก็เลิกประโยชน์เหมือนกันมันก็อ่อนล้าเพราะเราไม่ได้ให้อาหารจะเคยตัวใหญ่เป็นต า, าตัวตนมันก็ค่อยเบาวบาบ า, บางๆกลายเป็นความว่างจากความหมายแห่งความเป็นตัวตนเคยกลอยมันก็ไม่โกรธ เคยลม ก, ก็ลดลดละละเบาเบาบางบางหายไปดังนั้นครู้สึกตัวนี่มันเยี่ยวยายจริงๆตัวปัญญาทุกครั้งที่กลับมารู้สึกตัวรู้สึกตัวรู้สึกตัวจนทั่มันเด่นมีความว่องไวมันเป็นธาตุรู้มันเป็นธรรมธาตุเป็นธาตุธรรม มันก็จะเห็นความจริงคือธรรมชาติต่างๆที่ไม่ใช่เราควรยึดควรถือเราจะใช้ก็ใช้เป็นหน้าที่ใช้กายเป็นหน้าที่ใช้วาจาเป็นหน้าที่ใช้จิตใจของเราทําหน้าที่หน้าที่กรรมฐานก็ทำกรรมฐานไปหน้าที่กรรมกรก็มีกรรมฐานก็กรรมกรไปหน้าที่จะทำไม้กทำมือทํางานทําการก็มีสติเกี่ยวข้องไปล้างถ้วยล้างจานล้างถาดล้างช้อน มันก็พัฒนาไปจนั้งมันเห็นคุณค่าของการที่เรากลับมาการที่ออกไปเผลอมากเท่าไหร่ไม่สารวมเท่าไหร่ก็มหมายถึงพฤติกรรมเราไม่เปลี่ยนแปลงนมันก็ป่วยเหมือนเดิมนะั่นแหละต่อให้มาวัดดีขนาดไหนก็ตามก็ยังเหมือนเดิมทุกเหมือนเดิมเป็นคนขี้วิชาลิยาเหมือนเดิมพระพุทธเจ้าพระชนนางกิเลสนางตันหานางอารตี มันเป็นเดือนหกึ้นสิบห้าค่ำยามสามปฏิกาวันพุธระหว่างนี้แหละยามหนึ่งเผชิญกับอะไรยามสองเผชิญกับอะไรยามสามเผชิญกับอะไรเราเคยเรียนรู้มาขนาดนั้นพุทธประวัติบัดนี้มันถึงคิวเราบ้างยองน้อมเอาตั้งแต่สมัยพุทธกาลมาฝึกขัดขัดเรา กิเลนสนิสันยนิสัยสันดานนั้เรามันเปลี่ยนความโลภให้ตัวนี้ละเอียดนิดหนึ่งความโกรธนี่ยากที่สุดให้ตัวหลงแล้วเป็นพ่อเป็นแม่หมดกลยกิเลสตัวพ่อเคยตัวนี้แหละนก็คือตัวหลงหลงแล้วโกรธห ล, ลงแล้วก็โลภ หลงแล้วก็พาไปไกลความหลงทำไมมันหลงก็เพราะมันไม่รู้วิชามันไม่มีวิชาวิชาคือความรู้มันมีรู้ก็รู้ไม่ถูกก็หลงถ้ารู้ว่ารู้ถูกคือรู้สึกตัวปัะ จ, จตังรู้ได้เห็นได้ไม่จํากัดการ ร, ปรูปธรรมถูกรู้ถูกเห็นเลยว่าความรู้สึกที่เราผลิตขึ้นมา เ, เราผลิตแล้วผลิตอีกวันแล้ววันเล่าตอกย้ำทุกๆเม็ดทุกๆคนหน่ะเหมืนอนหยดเงินใส่กระปุกความศินอยากมั่งข้างล่ํารวยความอยากตัวที่เรียกว่าอยากมั่งข้างล่ํารวยนั่นคือจันททะความพอใจที่เห็นว่าเออ ทุกครั้งที่รู้สึกตัวมันคือชีวิตใหม่ชีวิตที่มันเปลี่ยนไปชีวิตที่มันเบาบางไม่หนักมีจิตมีใจก็ไม่มีเรื่องที่จะต้องแบกให้หนักค ว, ความโลภความกดความหลงมันเคยหนักเคยพอ่อจัทัวงมันก้อนใหญ่มากเวลาเล็กเวลาน้อยเวลาเล็กเวลาน้อ ย, อยตอกย้า ทำไมทำไมทำไมก็ว่าเราทำไมก็ว่าเราทำไมก็เป็นอย่างนั้นก็ไปทำไมก็เป็นอย่างนี้มันกับพอ่อแต่ตอนนี้มันได้คําตอบมัน ม, มีคําถามในความรู้สึกตัวมันจบมันไม่มีคําถามจริงๆเพราะฉะนั้นตัวใครตัวเราเราต้องตอบตัวเองความรู้สึกตัวเป็นคําตอบเรียบร้อยเเสร็จครอบจักรวาล เกิดอะไรขึ้นมาไม่ต้องไปหาเหตุหาผลกลับมากระทบทํามผ่านรู้สึกชำนาญ mm hmm. จะเกิดการปล่อยการวางเห็นกายในกายเน่นะ mm hmm. กายเนื้อก็มีกายที่เป็นกายทิพย์ก็มี mm hmm. ที่เป็นนมามธรรมความรู้สึกตัวกายยวิญญาณ ตาหูจมูกลิ้นกายใจทารต่างๆก็ถูกรู้ชัดเราจะรู้สึกตัวอยู่นั้มไปทางตาเห็นแล้วจิตออกทางตาเปน็นอย่างนี้วันนี้เรารู้สึกที่ฐานกายจิตไปทางหูแวบเห็นแล้วอาการของจิตไปทางหูเป็นอย่างนี้ทางจมูกลิ้นกายหรือว่าความคิดต่างๆในสมองของเราเพราะนั้นมันจับได้แน่นอนถ้าแยกขายพอ ว่าความคิดนี่เห็นแล้วเห็นอีกเห็นแล้วเห็นอีกเห็นจนกระทั่งรู้สมมติฐานของการคิดมันเกิดตรงนี้แหละทุกครั้งที่มันจิตจๆจจจจออกมาว่าไหวออกมาพุดเกิดออกมามันแสดงตัวเป็นปรากฏการณ์แล้วรู้สึกทันทีมันก็หยุดลงทันทีมันจะไปไหนได้ในความศึกษาของจริงอยู่ สัจธรรมความเป็นจริงเพราะฉนั้นธรรมะมันจึงเป็นสิ่งที่กำลังแสดงออกมาขณะต่อขณะธรรมะไม่ใช่ปรากฏการณ์ที่เราคิดวิป่าวิจารไปไม่ใช่ธรรมะมกำลังเป็นอย่างที่มันเป็นอยู่ทุกๆขณะมันก็เป็นการจัดระเบียบอะไรควรใช้อะไรไม่ควรใช้ความง่วงปรากฏขึ้นมาอย่างเงี้ยควรใช่ไหม ไม่ควรขณนาปฏิบัติเราก็จัดระเบียบเข้าที่เข้าทางก่อนนอนมี่ควรใช่ไหมมันก็ควรใช่ก็มีสติระลึกหยิบออกมาใช้แล้วก็หลับซะถึงเวลาตื่นนอนฟังเทศฟังธรรมธรรมวัตรสวดมนมันควรใช้อีกไหมบางที่มันงกง่วงฟังเทศฟังธรรมมึนไปเลยง่วงไปเลยมันควรใช่ไหม เรามีสติจัดระเบียบก็ไม่ควรใช้เขาก็เก็บไปที่ไว้ต่างรอไว้เดี๋ยวตอนคืนนั่นแหละความคิดขนาดนิ่มเกิดขึ้นมาควรใช่ไหมขนาดยกมือสุดสี่ความ ค, วคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องนู้นหาอยู่หากินมันไม่ควรใช้ล้วก็จัดระเบียบ ม, มันกลับมารู้สึกตัวรู้สึกตัวเก็บไว้ก่อนการอยู่การกิน ถึงเวลาเดี๋ยวก็ ใ, ใช้มันก็จึงมีระเบียบ<อ>เช้าตื่นมาล้างหน้าแปรงฟันรนะะเบียบออกกาลังกายต้องขับถ่ายรนะะเบียบจัดระเบียบได้เวลาก็ต้องคบต้องฉันกันเจ็ดโมงครึ่งนั่นก็คือระเบียบจัดระเบียบเอาไว้กายของเราก็รู้จักถึงเวลานี้ต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้ สองตุ่มต้องนอนแล้วตีสามต้องตื่นแล้วมาทำบ้านแล้วนจัดระเบียบแล้วบองทีเราก็อยู่วิถีของชุมชนกำลังตาหเาหลวลออเหลียวตาตามมาฝึกกันอย่างนั้นจนเกิดที่สลภาพขึ้นมาเนาะเราอยู่ตามเหตุตามปัจจัยอยู่เนะอเหตุเนืปัจจัยเหตุปัจจัยจะทำอะไรเราไม่ได้รู้จักอะไรเป็นกุณอะไรเป็นโทษมันเป็นระเบียบที่มันเป็น ชีวิตจีวาทีเดียวตุกนๆะุกักกนไนหะอิสลาภาพเกิดขึ้นไหมาจากไม่มีสติสติน้อ ย, อยมันก็มีสติขึ้นมาสติปัฏฐานนะที่พูดเสติสันสัญญาณใกลๆก็มีสติปัฏฐานคือการกลับมารู้กายรู้ใจรู้รูปรู้รรนามมันก็ว่องไวขึ้นมาเห็นความเป็นจริงขึ้นมาอาการต่างๆแสดงออกมาศีลนะเป็นอย่างนี้แหละยี้มันก็รู้ได้ สมาธิก็เป็นอย่างนี้แหละมันก็ใช่เลยการตั้งมันจะทําอะไรก็ได้ที่เป็นความดีความงามที่เป็นประโยชน์ตนประโยชน์ท่านที่ทําให้เกิดความไม่เสื่อมต่างๆก็แสดงออกมาเพื่อที่จะอยู่ได้รู้เราเป็นปีกรู้หลีกเป็นหางก็มีเกิดขึ้นไหมสมาธิตั้งมันดูทุกข์เคต้องเห็นทุกข์แล้วถึงเหตุแห่งทุกข์ตอนมีปัญญาเกิดขึ้นไหมเราก็ไม่เอาหรอก เจาลวงจากความทุกข์เพราะนั้นพระเจ้าก็ได้เตือนเราในท้ายสุดก่อนตายท่านไม่โกหกแน่นอนปัจจิมาวาัวว่าทําที่ทําให้เกิดความไม่ประมาทอภมาเทนะสัมปาเททะเราส่ดวดเราก็ต้องขีดเส้นแดงย้ํำมาไว้หลายๆทีท่านทั้งหลายจงทําความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดทำที่ทําให้เกิดความไม่ประมาทก็มีอยู่อย่างเดียวคือ สติปัฏฐานสฐานเนี่ยรับรู้รับทราบตลอดเวลาเวล า, า ก, กายเวนาจิตธรรมรู้สึกขณะที่มันเคลื่อนไหวกายทั้งหัวเจาะเท้าเวทนาคือสุขทุกข์ที่มันแสดงออกมาเจ็บปวดไม่ต่างๆเยน็นร้อนอ่อนแกงนี่มันแสดงออกมาการกระทบสัมผัสเกง่งคลายตึงย่อนไว้นิง่งเวทนา จิตก็คืออาการที่มันคิดตลอดเวลาเวลาคิดอยู่ตลอดนั่นแหละยิงคนประสาทในตลอด24ชั่วโมงประสาทค้างพอมันค้างที่ระบบประสาทตาค้างมันก็เกลงิงตามอะไรตามล่องตามรอยยากก็ต้องปรับเปลี่ยนนิสัยกันตรงนะี้ให้ผู้รู้ว่ายืนยูนชนสติรุดผู้สุดได้นำเรา ฟังให้มากๆเพราะนั้นในวัดนี้ถ้าใครเป็นระบบศาสตร์นให้มาบอกนะถ้าเรารู้ตัวเราเราใขว่ควรแล้วเราเป็นอย่างนั้นอยากก่าเก็บกดกบเกลื่อนให้มาบอกจะได้จับไปส่งโรงพยาบาลบ้ า, บ า, บาอย่าอยู่ที่นี่นะจับส่งโรงพยาบาลบ้ า, บ า, บาอย่างเดียวนะหายเมื่อไหร่เราก็ยังมาแต่ถ้าจะมาอยู่ก็ได้อยู่แต่ว่าต้องอยู่ในกรอบนิดนึง อยู่ในกรออย่าวุ่นวายอยู่นที่เป็นทางให้เห็นจิตตัวนี้จิตเวลามันทํางานทําการคนอื่นก็เห็นก็ต้องฟังเวลาว่ากล่าวตักเตือนนะต้องฟังกันอย่างเช่นเราวรวเเนเนี่ยหลวงอเขีนท่านเตือนนะโดยเพาะพวกหญิงสาวท่านเอ่ยมานีหญิงสาวที่เป็นโรคจิตโรคประาทั้งหลายท่านไม่ได้บอกว่าหนุ่มหนุมบุรุษนะ ถอานมนมบุหรุตเนี่ยผมราจมาในเกี่ยวข้องได้ผู้ชายกับผู้ชา ย, ยแรงได้แต่ผู้หญิงนี่ม่ยุ่งอันตรายผู้หญิงกผู้หญิงก็ดูแลกันด้วยทำมาแชา่ทำก็คือเนี่ยที่กำลังพูดอยูเนี่ยเห็นแล้วทำอะไรไม่ดีก็ทำมีกล่องนมมีกระยามันชอบทิ้งกันไว้เปลือกคอนทิชชู เ, เห็นตรงไหนหเก็บใส่ถังกระยาเน้นทำเห็นทำ มันก็เกิดธรรมชาติที่ดีขึ้นมาทั้งภายนอกและภายในธรรมชาติภายในของเราก็คือลักษณะของปัญญาที่มันใช้กายวาจาใจได้อย่างไม่เป็นโทษเดยเพราะกับตัวเองมันรู้จักใจรู้จักวางเป็นธรรมชาติธรรมดาธรรมดานี่ก็เรียกว่าตัวใครตัวเรา แสดงออกมาเป็นธรรมชาติเป็นอิสระต่วอยู่ในลักษณะของกฎระเบียบวินัยต่างๆสีลสิลห้าสินแปดสิน 8, สิบหรือว่าโดยเฉพาะว่าให้ทำด้วยความรู้เนื้อรู้ตัวก็คือยังมีการเคลื่อนไหวอยู่เกิดความคิดขึ้นมามันก็ไข้ครวนเมื่อไข้ครวนแล้วเ้วก็เลือกที่จะทาแล้วเลือกที่จะติดเตือนด้วยสินได้หรือไม่ เราจะรู้จักขึ้นมาก็เป็นชีวิตที่มันสร้างสรรค์แล้วกันเนี่ยนะสร้างสรรค์ลักษณะของการสร้างสรรค์ก็คือไม่ไม่สู่ทางที่เสื่อมอะไรที่เรียกว่าทางที่เสื่อมก็คือเราอยู่ในลักษณะของศาสนาศาสน า, าคือตัวเราแล้วก็าศาสนาพุทธพุทธศาสนาศาสตรการรู้ตื่นเบิกบานน ศา ส, สนาเราก็มีศาสนาวัตถุเราเกีเ่ยวข้องวัตถุศา ส, สนาสถานเราเกีเ่ยวข้องกับ ส, สถานศา ส, สนาบุคคลเราเกีเ่ยวข้องกับบุคคลศา ส, สนาพิธีเราเกีเ่ยวข้องกับพิธีอย่างไรถูกต้องศา ส, สนาธรรมคือทํำยังไงให้เราทุกข์มันน้อยที่สุดแล้วไม่ต้องเกิดขึ้นมาอีกชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายการเรียนว่ายตายเกิดวัฏฏะสงสารนันยาวไกลเราก็ผ่านมายัางต้องเราเชื่อว่า การเข้าวัดเข้าวาการมาประบัธรรมหรือว่าการฝึกเจริญสติปัฏฐานนะมันทําให้เราจบเป็นนะจากการใช้ชีวิตแล้วเกิดความทุกข์ต่างๆมันหยุดลงจบเป็นนะก็สังเกตฮนะผงละไรนะมันจบที่ความรู้สึกตัวนั้นเองตนะุกังที่มีความรู้สึกตัวจบลงตรงนั้นนะหยุดจีก็เกิดความเป็นปกตินะไม่สุขไม่ทุกข์ก็เกิดขึ้นมาเหือความพอใจไม่พอใจขึ้นมา วันนั้นเราก็เนี่ยเลยวันสุดท้ายแล้วที่จะต้องมันก็มีการนำลาพาจากก่าจากมาถึงแล้วเรามีการลากันแล้วล่ะเมื่อวานหลายชุดมาลากันบอกจะกลับแล้วนะเกี่ยวลมเข้มสี่สิบวันนะเราก็เก็บเกี่ยวนะมันไม่มีการมาไม่มีการไปนะมันไม่ได้มาไม่ได้ไปนะมันก็มีแต่เหตุปัจจัยนะ ที่ทำให้เราเกิดความรู้สึกตัวยิ่งยิ่งขึ้นไปเป็นอิสระภาพโลกใบนี้เป็นของเราจะนั่งจะเดินจะยืนจะนอนอยู่ที่ไหนก็ตามเหมือนเป็นเจ้าของความรู้สึกตัวมันบอกอย่างนั้นไม่เป็นนี่ไม่เป็นทาตุทำด้ความบริสุทธิ์ใจไปวางจากความหมายในความรู้สึกตัวมันไม่ได้มีความหมายอะไร มันจึงเป็นเพียงอาการกริยาที่เราสัมผัสสัมพันธ์กันในฐานะของกาลยาณมิตรที่เดินทางเดียวกันก็คือทางพ้นทุกเพรฉะนั้นขอให้อำนาจของความดีที่เราได้มาร่วมกันทำํำนะการประพฤติประวัจันทร์ทั้งหลายนะก็จงเป็นไปเพื่อการเดินทางสู่การพ้นทุกนะจะทั้งมีความสุขเสแสมสารในนิพพานโดยตัวนากันทุกตั้นทุกค น, นั้นเธอ